Thank mm -hmm. you.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 มันก็ลบทําให้ไม่มีค่าเห็นความคิดอย่าไปหาผิดหาถูกเกี่ยวความคิดอย่าไปเอาผิดเอาสูกเอาทูกเกี่ยวความคิดให้เห็นว่ามันคิดเฉยๆมันก็ไม่มีค่าเมื่อเ ร, เรามีสตินะไม่ใช่ไปเอาเหตุเอาผลไปคิดเอาเหตุเอาผลเกี่ยวกความคิดไปเอาเหตุเอาผลเกี่ยวความสุขไปเอาเหตุเอาผลเกี่ยวความทุกข์ เพียงแต่มีสติไวัยวมีสติสร้างสติมีสติเมื่อ ม, ม, มีสติมันก็ทำให้สิ่งต่างๆไม่มีเนื้อสุขเนื้อทุกบางทีมันก็เห็นทรรมที่มันมาครอบงำกายจิตเป็นกุศลเวรุกุศลกุศลก็คือความสงบความสุขปิติ เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาบางทีก็มีได้บางทีก็เป็นความง่วงเหงาหานอนความหังเลสงสัยความชิดผุ่งสาดจับจับจดจดที่มันครอบงำชีวิตจิตใจของเราอันนั้นเรียกว่าธรรมพอให้เห็นมีสติมันสุขก็จะไปเอาสุขมันรู้ก็จะเป็นผู้รู้ มันไม่รู้ก็อย่าเป็นผู้ไม่รู้ให้เห็นมีสติเรื่อยไปสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่ได้ไปหามันมันเกิดขึ้นมาเองเราก็เห็นแล้วเห็นเล่าเราก็มีสติไปเรื่อยๆอย่าไปคล้องไปแวะบางอย่างมันก็ชวนให้คล้องแวะมีอาสาทะบางอย่างมันก็เกิด ความอึดอัดขัดเปืองถ้าอึดอัดกัดเครื่องมันเนี้ยก็คล่องแวะเหมือนกันคล่องแวะในความผิดคล่องแวะในความถูกก็มีผู้ที่จเจริญสติก็ไปเรื่อยๆมีความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆความรู้สึกตัวที่เราสร้างมันก็ไปประกอบไปประสบการณ์ไปได้บทเรียนจากสิ่งผิดๆถูกๆจากสิ่งสุกๆทุกทุก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 มันเป็นโลกที่อยู่เหนือโลกหรือวนอกโลกครอบงาไม่ได้โลกทั้งหลายครอบงําไม่ได้สติปัฏฐานไม่เหมือนสติธรรมดาสติปัฏฐานมันออกมาดูมันไม่เข้าไปอยู่มันคิดก็เห็นนะถ้าสติธรรมดามันก็ไปกับสิ่งต่างๆคิดทําดีมันก็ทําดี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 มันไปด่วนๆสักหน่อยก่อนถ้าจะเป็นการเดินทางก็ไปด่วนๆก่อนไปให้ถึงก่อนพอไปให้ถึงแล้วมันฉลาดขึ้นมันรู้จักทีหลังก็เอผ่านมาแล้วจังค่อยรู้มางครั้งไม่ใช่ไปรู้ก่อนรู้ผิดก่อนผิดถูกก่อนถูกสุขก่อนสุขทุกข์ก่อนทุกข์ไม่ใช่ไปก่อนอะไรที่มันเกิดขึ้นระหว่างเจริญสติผ่านไปก่อน จับลักไว้ก่อนผ่านไปก่อนไม่ใช่ไปอยู่ไม่ใช่ไปคล่องไปติดระหว่างการเจริญสติถ้ามันคล่องมันติดระหว่างการเจริญสติมันก็ไม่ไปทางไหนบางทีก็ไปเอาผิดอยู่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงไปเอาถูกอยู่ชั่วโมงถึงชั่วโมงไปเอาลูกไปเอาไม่ลูกอยู่ก็เสียเวลาไปเอสุขเอาทุกข์อยู่ได้มันก็ได้สิ่งเหล่านั้นไหม ได้สุขได้ทุกข์ได้รู้ได้ไม่รู้ได้ผิดได้ถูกอันนั้นไม่ใช่ผู้ที่เจริญสติผู้ที่เจริญสติมันไม่แต่ผ่านอะไรที่มันเกิดขึ้นระหว่างการเจริญสติมันเป็นการผ่านมันเป็นมัดทิมาปฏิปทาผู้เจริญสติจริงๆมันได้ทางแล้วก็มีปัจจัยมีเหตุที่ทําให้เกิดความรู้สึกเรื่อยๆไป แม่แต่ความหลงก็เป็นเหตุให้เกิดความรู้ความสุขความทุกข์ก็เป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกตัวตอนผิดเกินถูกนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกตัวเอาไปเอามามันก็เหลี้วไหลทั้งนั้นแหละเช่งต่างๆมันไม่จริงอะไรหรอกถ้ามีความรู้สึกตัวผ่านผ่านไปก็เหลวไหลไม่มีค่าโชว์เรื่องที่เหลียวไหลมันโชว์เรื่องไม่จริง ความรู้สึกตัวมันเห็นในแต่กายนี่มันก็เห็นเห็นเป็นรูกเคลื่อนมันไหวมันลู่มันคบมันชิดมันหล่นมันหนาวมันก็เป็นนามมันก็โชว์โชว์รูปโชว์นามในรูปในนามในกองรูปในกองน้ำรูปมันก็โชว์นามมันก็โชว์การโชว์ของรูปมันก็เป็นุ้นเป็นก้อนได้ความฉลาด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 เขโชว์แต่เรื่องเดียวมันก็จืดเมื่อมันจืดมันก็เกิดยิ่งเห็นความโลภความโกรธความหลงเห็นจิเลตตันหาเห็นสังขารการปรุงการแต่งมันก็เกิดเวลาคะความเบื่อหน่ายมันไม่มีสารละเหลวไหลมันก็หลุดก็พ้นมันไม่คล้องไม่ติดการหลุดพ้นมันมีรสชาติการคล้องติดมันก็มีรสชาติรสชาติแห่ง สวามความทุกข์รสชาติแห่งความเหลวไหลมันก็เกิดววลาคะเบื่อหน่ายเมื่อมันเบื่อหน่ายมันก็ก็ไปมันไม่เอามันไม่หยุดมันเราเห็นหมูดเห็นครูดเราก็เบื่อหน่ายไม่เอาเราก็พ่นไปจากสิ่งที่มันสกปรกสกปรกอยู่ตรงไหนก็ทำควาสะอาดอยู่ตรงนั้นความสะอาดไม่อยู่ในความสกปรกเกิดขึ้นกับรูปกับนาม มันก็สะอาดได้ในรูกมันก็สะอาดได้ในน้ำหมดจดอยู่ในรูปในนามก่อนเราไม่เห็นพอเราเห็นเราก็ทารูปทานามให้มันสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจนเกิดชีวิตเป็นพรหมจรรย์แบบพืชพรหมจรรย์ น, นี่การเจริญสติมันไปแบบนี้นะไม่ใช่ไปจับจั บ, จ, บจดจดไปเอาชื่อเอาเสียงไปเอา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 มันก็มีงานมีการแม้แต่เรามาสร้างสติก็เป็นงานของเราเป็นงานของคนอื่นด้วยเป็นการรักษาศีลเป็นการทำบุญเป็นการสร้างความฉลาดเป็นการสร้างความสงบปล่มเย็นหลายๆอย่างที่เราไม่ได้ใช่ปัจจัยที่ทำให้เกิดสิ้นเปลืองพลังงานของโลกที่เราไม่สร้างให้เกิดปัญหาแจ่ส่วนรวม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 เมื่อเราทำสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามันก็เหมือนกับส่วนรวมไม่ทำให้เกิดมีปัญหาในส่วนรวมก็จะเป็นประโยชน์ก็เป็นผลกระทบในทางดีในทางที่ทำให้ส่วนรวมคอยหมดปัญหาคอยสงบรมเย็นไปการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อไปให้คนยกย่องสรรเสริญ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 บำเพ็ญประโยชน์หลายอย่างบางทีเราก็มีอ น, นิสงส์ไปพร้อมๆกันเพราะว่าความรู้สึกตัวพาให้เกิดอานิสงส์หลายอย่างมีสติเห็นรูปเห็นนามบางทีก็ละทุกข์ไปวันละหลายหลายอย่างความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามเราก็ผ่านได้น้อยเราก็ไม่โง่หลงง ม, มงายไม่หมกฝุ่นขุน ค, คิด ไม่กังวลไม่ไปย่อมไปติดขาดหมดจดไปเรื่อยๆเพราะมันเห็นโดยเฉพาะทุกเน่ยตรงกันข้ามพอดีผ่านที่ผ่านที่ทําให้สมนําหน้ามันคือผ่านทุก์นะความทุกเรื่องเกิดขึ้นกับรูกความทุกเรื่องเกิดขึ้นกับนามเป็นมืออาชีพผู้ที่จเจริญสตินะเรียวกว่ามืออาชีพในเรื่องนี้โดยตรงอันชื่อว่าทุกเนี่ยก็ตือรือร่น อันอื่นก็ค่อยหมดไปเมืออาชีพในเรื่องการดับทุกข์แล้วอันอื่นก็ไปด้วยกันได้หลายอย่างมีปัญญามีเหตุมีผลหลายอย่างถ้าตรงกันข้ามกับความทุกข์มันหาหน้าตรงกันข้ามพอดีมันผ่านตรงนี้พอดีพอผ่านความทุกข์ก็เป็นศิลปะง่ายทุกอยู่ท่ตรงไหน ความว่าทุกข์โดยตรงจนเป็นมืออาชีพนะเลิกสุบุรีเลิกโง่หลงงมงายไม่คิดไม่ทำไม่พูดอันเสียงที่มันเป็นทุกข์ไม่คล่องไม่ติดเป็นความชนานาญในเรื่องนี้โดยตรงถ้าหากปฏิบัติทำแล้วยังมีทุกข์มีปัญหาทำให้เกิดปัญหาทาให้เกิด สับสนวุว่นวายในค้องอยู่ในความทุกข์หรือไม่ใช่ไม่ใช่ผู้เจริญสติผู้ที่เจริญสติจะทําเรื่องนี้เป็นง่ายๆ ง, ง่ายกว่าเรื่องอื่นคำว่าทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องง่ายกว่าเรื่องอื่นเป็นการชนานีชานาญกว่าเรื่องอื่นแต่ผู้ปฏิบัติยังมาพูดถึงว่ามันทุกข์อย่างนั้นมันทุกข์อย่างนี้น ม, นนนมีปัญหาเหมือ น, นก็ไปภาคใต้เมื่อกี้นี่ยนักปฏิบัติมเดิม เขาก็มาพูดเรื่องของปัญหาเรื่องของทุกข์ต่างๆก็บอกว่ามันไม่ใช่ผู้ปฏิปธรรมไม่มีคําพูดแบบนี้แสดงว่ามันเสื่อมเป็นอุปธรรมแล้วมันเสื่อมแล้วต้องฟื้นตัวขึ้นมาอย่าเอาคําพูดจากนี้ไม่ต้องพูดจากนี้แต่พูดจากนี้มันก็ติดแล้วมันปเปื้อนแล้วเป็นดับเบิลมันย่ําแล้วมันย่ํามันอยู่ตรงนั้นแล้วเหมือนกั เป็นโรคเป็นแผลทำให้เลือดออกอยู่เสมอทำให้เลือดออกอยู่เสมอไม่รักษาแล้วก็ ก, ก็เป็นแผลมันก็อักเสบมันก็เลื่อนหลังคำพูดบางอย่างคำคิดบางอย่างการกระทำบางอย่างมันทำให้เกิดการเลื่อนหลังในโลกท่องหลายกลายเป็นโรคลายไปเลยอ้เจริญเศษีไม่ต้องไปทาอย่างนั้น มันโรคไร่เราก็นั่นแหละดีแล้วจะได้เห็นมันจะได้รักษาสแสดงว่าเราไม่โรคเราไม่แผลต้องเอาใจใส่ต้องเป็นงานเป็นการต้องล้างต้องใส่ยาต้องรักษามันหายการปฏิบัติธรรมที่เป็นโรคของกิตวิญญาณก็เหมือนกันบางทีเราไปสร้างไปเจี่ยวค้องเช่นความคิดคำพูดการกระทำ กิริยาการต่างๆแสดงออกถึงทําให้เกิดโลกก็มีเหมือนกันตาก็เกิดโลกหูก็เกิดโลกหาสแสวงหาสุขสนความคิดก็สุขสนตาหูจมูกเรียนกายใจรูปรสกลิ่นเสียงสุขสนเป็นอาชีพไปทางนูน่นตาก็ไปสร้างรูปที่เป็นเจริญงอกงามเป็นสังขารหูก็ไปใบ น, นั่นแหละมันเกิดโลกผู้ที่เจริญเศรษฐกจริงๆ มันจะสํารวมอรยธรรมไปในตัวมันจะมาสร้างอินทรีย์ใหม่คือสติอินทรีย์มันก็เมื่อสติอินทรีย์เป็นใหญ่มันงอกงามขึ้นมาอายธรรมทั้งหลายก็สํารวมลงหยุดลงไปในตัวเสร็จสติอินทรีย์นี่เป็นใหญ่มีอํานาจอะไรลู่อะไรลู่จับตาจับหูไม่ใช่เลย ตาหูจมูกเลี้ยงกายใจรูปรสกลิ่นเสียงเราจะว่าแล้วมันเป็นบริวารไม่ใหญ่ใหญ่ก็ใหญ่ไม่ได้เพราะมันมันหมดอานาจไปแล้วเพราะความรู้สึกตัวมันเป็นสติอินทรีย์เนี่ยมันสร้างความเป็นธรรมเหมือนกับความเป็นธรรมที่อยู่ในโลกกระบวนการอย่งความเป็นธรรมก็ยังคงอยู่เราจึง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 ในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามคอยทุกข์คอยโกรธค่อยโลภคอยหลงปลดปล่อยออกมามีสติมีสมชัชยญญะเนี่ยแม้บางทีมันไม่โลกกันเื่นก็คอยสงบลงไปพ้นขึ้นมานะการเจริญสติไปอย่างนี้นะมันพ้นไปมันมีผลมันเป็นมรรคเป็นผลทันทีมันทำมรรคทำผลทันที มันเป็นมรรคเป็นผลทันหูทันตาทันหูทันตามันหลงก็บลู่ทันทีหลงเป็นเหตุให้เกิดความลู่ลู่เป็นเหตุให้เกิดความลู่สุขเป็นเหตุให้เกิดความลู่อะไรต่างๆมันเป็นผลไปในตัวไปได้ผ่านได้เหมือนคนเดินทางเอาบ้านนั่นบ้านนี่หว่หลังเลื่อยไปแม้มันมีอยู่ก็ต้องหว่าหลังเลื่อยไปผ่านไปเรื่อยไป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 เป็นการรวมพลังเป็นการฝึกลพลพลังแห่งการลบมันพร้อมมันพร้อมเราสร้างไว้เราก็ใช้ไปกับชีวิตประจำวันหลายๆอยา่างใช้กับชีวิตประจำวันเพราะากายของเราเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งมันก็อิดก่นหินมันเป็นการเจริญสติไปในตัวในที่สุดในรูปในนามมีแต่สติ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 ทำดีทำชั่วไม่ใช่มันเป็นความรู้สึกตัวมันลบลบดีลบชั่วลบสุขลบทุกมันเป็นความรู้สึกตัวมันเป็นความรู้สึกตัวไม่ได้ไปหาอันที่สุดมันที่สุดมันมีที่สุดของรูปของรามันมีที่สุดของการกระทํามันความรู้สึกตัวไปอันเดินก็ไปไม่ได้มันสุดแล้วรู้สึกตัวมันสุดแล้วรู้สึกตัวมันสุดแล้วมันสุดแล้ว ในรูปในนามมันเป็นหนึ่งแล้วมันเป็นหนึ่งแล้วในกองโลกกองนามเป็นหนึ่งแล้วเมื่อมันเป็นหนึ่งมันก็ต้องมีอะไรแต่ว่าหนึ่งมีค่านหนึ่งคือความรู้สึกตัวนะแต่ ใ, ใช้มันมันไม่มีอะไรมันมีถ้าพูดแบบหนึ่งมันก็ไม่มีไม่มีสิ่งที่เป็นคู่คนหนึ่งน ะ, ะเช่นโกรธไม่โกรธ นีนม่มันเป็นคู่อยู่ทุกไม่ทุกมันเป็นคู่อยู่เมื่อมันเป็นหนึ่งก็ไม่มีอเ น, น้พูดแบบไม่ใช่พูดให้คิดนะพูดแบบมันทางมันเป็นทางคาว่าทางไม่ต้องคิดนะการเดินทางไม่ต้องไปคิดมันเดินไปเองการกรรมาฐานไม่ใช่สอนให้คิดนะขารกรรมาฐานเป็นการสอนให้ทําหมืนกับบอกเดินทางพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกการเดินเป็นของหน้าที่ของเธอ ไปไปทั้งนี้พวกเราก็เดินไปเลยไม่ใช่ไปคิดนะทาไมจึงเดินไม่เดินไม่ได้เลอเดินมันง่ายไม่เดินมันยากอะไรต่างๆคิดไปไปเอาอยากก็ง่ายตั้งแต่เริ่มต้นเพยียงแต่บอกก็ยากแล้วง่ายแล้วผิดแล้วถูกแล้วบางคนตาเห็นก็เอา้าคิดไปแล้วอย่างก็มาเห็นรูปเขียนวิธีสร้างเจ้วาวัอยู่ศาลานหน้าพระพุทธเจ้าทําอย่างนี้หรือเปล่า ทำไมจึงทำรูปเหมือนพระพุทธเจ้าก็ปุ้งแต่งไปทำไมจึงมาพระพุทธเจ้าได้สร้างเจ้าอย่างนี้หรือเปล่าทำไมจึงเอาเรื่องอย่างนี้มาเป็นเรื่องพระพุทธเจ้าใครเป็นคนทำอ้าคิดไปแล้วเห็นอะไรก็คิดไปแล้วหน้าความคิดมันเจริญมากไปไกลเอาผิดเอาถูกเห็นรูปก็เอาผิดเอาถูกเมื่อผิดเอาถูกเปิดปัญหาทำไมทำไมทำไมอะไรหลายหลายอย่างมันก็เลย เรื่องมากมันไม่ผ่านมีผิดมีถูกตั้งแต่ตาเห็นมีผิดมีถูกตั้งแต่หูได้ยินมีผิดมีถูกตั้งแต่จมูกได้กลิ่นเล่นได้รสกายสัมผัสจิตใจมันคิดโอ้พอลงพอหลังมากมากอการเจริญสตินี่เรื่องเลี้วไหลมาแ น, น่นะอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องความรู้สึกตัวเท่านั้นแหละเหมือนพระพุทธเจ้าของเราแปลลูกสอนมาเปรนดอกไม้ทูบเทียน เขาด่าเขาเนนทาเขาสนันเสิร์นอะไรก็ตามมันเป็นการปูผมมันเป็นการบูชามันเป็นการปูผมขุกข่าอยูอย่ที่ไหนทาให้เรียบไปเนนทาสละเสิร์นมันก็คลื่นเรียบไปเลยตัดไปเลยเรียบไปเลยเรียบไปเลยเรียบไปเลยเส้นทางของชีวิตมันต้องเรียบแบบนี้ไม่ ก, กระทบกระเทือนนะไม่ ก, กระทบกระเทือน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 ชีวิตแบบนี้ไม่เกิดไม่แจ่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ชีวิตที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นหนาวตรงนั้นอย่าไปอยู่กับมันเนนหิวเป็นเจ็บเป็นปวดจะไปอยู่กับมันการผิดการถูกจะไปอยู่กับมันไปโทษโนษ่นโทษนี่ไม่ไม่เอาโทษตัวเองโทษคนอื่นไม่เอาแล้วเออมองเห็นความเป็นจริงไม่มีการโทษใครไม่มีการไปข้องแวะอยู่กับอะไรบั้นหาต่างๆที่เกิดกับ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 ตาธิปเตยยะอธิปไตยเริ่มต้นจากเราโลธรรมมาอโลกาธิปเตยะแล้วมันก็เป็นเพื่อโลกไปเลยแล้วก็ธรรมมาธิปเตยยะก็เพื่อธรรมที่สุดก็เพื่อธรรมจากตนจากโลกก็ถึงธรรมเป็นไปอย่างนี้การปฏิบัติธรรมเจริญเศรติฐานตามสูตรที่พระพุทธเจ้าพาให้พระพุทธเจ้าได้ตัดสั้ คือสูตรสุดรนี่แหละสูตรกายสูตรใจสูตรรูปสูตรนามมีอยู่สูตรนี่จบสูตรนี่ก็จบไปทั้งหมดแล้วเราจึงไม่จําเป็นต้องไปทําอะไรมีสติลงพื้นที่ของกายของกิตไปเลยจะเกิดการเห็นอะไรต่างๆมากมายให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวถ้าไม่มีพลังแห่งความรูม้นี่ยก็หลงง่ายๆพลัดไปง่า ย, ายๆเราจึงสร้างไป จำเป็นเราจะังมาสร้างเป็นจังหวะยกมือเคลื่อนไหวไปมาลูบสึกตัวา ย, ย้มแย้มแจ่มใสทำให้มีไปเลยจะไปบูดเปลงตึงเครียดจะไปเอาเหตุเอาผลสร้างสติดุนดุนก่อนกอนไปก่อนอย่างนี้นะปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมช่วยตัวเองอยู่สงบอยู่ในมุมสงบพบกับตัวเองพบกับ สิ่งต่างๆเมื่อมีสติมันก็จะพบโน่นพบนี่เห็นโน่นเห็นนี่เห็ น, น, น, น, น, น, น, น, นความลงแก้ปัญหาหมดปัญหาไปเรื่อยๆไป อ, อันนี้ก็สมควรใช้เวลา